Thi ni in Phawet San Lawa. nans, leauwa. Dukwann pitsu tang in me phra cha phanam maharat. Nei nei. Krong sombat Krung Chetudon, Kwan si pi. Nei nei. Me pha orot Sanchaikuman wa song jeren wai pha Sivirat siwi rat. Goei nam nang raat Kanja, Panama, wa Phusadi. Nei nei. Phu bein raat ให้เป็นราชสมบัติเนี่ยนะแกสัญชัยกุมารนะ 16 ปีใช่มั้ยก็ไปเอาลูกกษัตริย์อีกเมืองนึงอ่ะนะกษัตริย์สายที เรียกว่าบุรัพพประโยคก็คือบุญเก่าที่ถ้าจะว่าให้ตรงจริงๆเช่นเป็นพุทธมารดาพระพุทธบิดา เฉพาะตรง 91 กลับว่าใน 91 กลับที่แล้วเนี่ยว่าวิปัสสีอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกในครั้งนั้นพระราชาพระนามว่าพันธุมราชเสวยราชสมบัติ พุทธบิดานะเป็นพระพุทธเป็นบิดาของพระอยู่ณเขมะมฤคทายวันอาศัยพันธุมดีนครในครั้งนั้นก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยนะทรง 100,000 สุวรรณแปลว่าทองใช่มั้ยมาลาก็ดอกไม้ระเบียบดอกไม้ก็ทรงระเบียบดอก กับแก่นจันทร์ที่มีค่ามากมาถวายแก่พระเจ้าพันธุมราชทีนี้พระเจ้าพันธุมราช ประทานสุวรรณมาลาเค้าเรียกว่าระเบียบดอกไม้ทองคําให้แก่ลูกสาวองค์เล็กพระศาสดาเท่าว่าวิปัสสี จะเอาแก่น เป็นมาลาเนี่ยปิดสรวงบรรจุพระอกทองคําแล้วก็ให้ถือไว้เนี่ยนะไอ้คําว่าปิด เสร็จแล้วก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปบูชาคือบรรจุด้วยพระอภทองคําให้ถือไว้ราชธิดาทั้งสองก็ไปสู่มฤคทายวันวิหารบรรดาราชธิดา ผงแก่นจันทร์เนี่ยนะที่เหลือในบริเวณพระคันธกุฏิบริเวณ คนอื่นไปใช่มั้ยเจ้านี้ปรารถนาแปลกมากบอกขอเป็นแม่พระพุทธเจ้าแต่ว่าข้างหน้านะเห็นมั้ยซึ่งว่าเออก็ ผงแห่งแก่นจันทร์นี้มารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับพระองค์ในอนาคตกาลด้วยเถิดเนี่ยนะตั้งความปรารถนา ขอเครื่องประดับนี้จงอย่าหาย พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาแก่ราชธิดา ในที่สุดแห่งพระมายุเคลื่อนจากมนุษย์ก็ไปบังเกิดในเทวโลกใน 2 องค์นั้นองค์ใหญ่เคลื่อนจากเทวโลกท่องเที่ยวไปยังมนุษย์โลกเคลื่อนจากมนุษย์โลกไปยังเทวโลกอ่ะนะจากมนุษย์เทวดาจากเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ย คือ 91 เนี่ยนะก็คือเมื่อพระพุทธเจ้า 91 พอก็กลับที่ 91 พอดีเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นพระพุทธมารดาพระนามว่ามหามายาเทวีฝ่ายราชกุมารีองค์เล็กก็ เพราะความที่มี 16 ปีอายุ 16 พรรษาได้สดับภัตตานุโมทนาแห่งพระธรรมคต แล้วก็พระองค์ก็แสดงไอ้ภัตตานุโมทนาพระเจ้ากิกิก็บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระนางก็บรรลุ พระเจ้ากิกิเนี่ยมีลูกเช่นชื่อว่านางสมณีนางสมณะขุตตานางภิกษุณีนางภิกขุ 7 จริงๆก็พอมาในชาติหลังจะเป็น 1 ชื่อ นางคือพระนางโคตมีเนี่ยนะพระนางโคตมีก็คือพระนาง ส่วน 7 ชื่อว่าสังคทาสีเนี่ยนะก็คือนางวิสาขาคือพวกนั้น เราถ้ามัวแต่คอยตั้งว่าโอ้ขอแต่ความเพียรน่ะว่าถ้าเพียรมากแค่ เพื่อนๆเค้าก็บรรลุกันไปๆเคยมั้ยก็บอกให้อาหารเค้าเพ ในฝ่าพูดถึงพระนางพุสดีเนี่ยนะที่ชื่อว่านางสุธัมมาก็เป็นลูกถือ เมรุะดาแดงงามขนาดไหนไม่ทราบด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพงศ์แก่นจันทร์นางได้ทําแล้วแก่พระวิปัสสีเพราะ ฉะนั้นเอ่อเมื่อบุปผานิมิต 5 ประการเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะจนชั่วอายุแห่ง เนี่ยนะ 36 ล้านจะเหี่ยว 7 วันจะตายจะเหี่ยว 2 นะผ้าที่ปกตินะนุ่มแล้วจะเป็นผ้าที่มีรัศมีออกงามมากผ้านี่ ปรากฏเนี่ยนะชราแล้วก็จะไม่ยินดีในที่พะอาศใครเคยมั้ยก็อยู่ในห้องแล้ว ก็เลยอุทยานด้วยยศใหญ่ประทับๆเนี่ยนะพระนางพุสดีเนี่ยไม่รู้ตัว 5 ประการที่ ตรัสกับพระนางพุสดีว่าเนี่ยนางพุสดีผู้เอาพร 10 ประการเหล่านี้เนี่ยก็แม้อนุญาตให้พรแรกในมหาเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกปกติแล้วมี เนี่ยจะเข้าคาถาแรกเนี่ยนะแล้วก็ 1,000 1 คาถาที่ 1 ก็บอกว่าดูก่อน 10 ประการในแผ่น 10 อย่างนะ พอท้าวสักกะบอกอย่างนี้บอกว่าสรุปต้องจุติเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าจะตายแล้วนะก็เลยเพราะอะไรเพราะมัวแต่ ข้าพระบาทขอน้อมน้อมแด่พระองค์ข้าหรือฝ่าพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากที่ ค้าวสักกะก็รู้ว่านางเนี่ยหักกระดูกสั่งให้ตายอะไรหรอกและเธอไม่เป็นที่ ดาวดึงของเธอเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ความ 10 ประการนี้จาก พอได้ฟังคํานี้กับท้าวสักกะก็รู้ว่าตัวเอง นะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงถ้าพระองค์ ข้าแต่เท้าปุรินททะเนี่ยนะข้าพระบาท 2 ขอให้มีตา คิ้ว 4 บอกว่าพึงเกิดในราชนิเวศ 5 บอกว่าพึงได้โอรสผู้ให้ แล้วก็เป็นใหญ่มากแล 6 เมื่อฆ่าพระบาททรงครรท้องก็อย่านูนขึ้นเอ่อมี อันนี้คงเข้าใจนะนี้คงเข้าใจนะฐานไม่ยอมยานไม่ 10 นะเพิ่ง ก็บอกว่าเป็นผู้สามารถปล่อยโจรผู้กระทําความผิดต่อ ในราชนิเวศอันกึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกยุงและนกกระเรียน ก่อนจะตายขอพร 10 ขอให้เป็นขอ 3 มีขนคิ้วดำ 5 อะขอ 6 มีครรภ์แล้ว 7 ทันไม่คล้อย 8 ข้อ 9 ก็ผิว 10 ปล่อยนัก แน่นางผู้งามทั่วองค์พรสิบประการเหล่าใดที่เราให้แก่เธอเธอจง ทาวาสวะมัคขสุชัมบดีเทวราชโหคือเอ่อทาวสกะนี่เค้ามีหลายชื่อนะชื่อว่าวาสวะก็ได้มัคขก็ได้สุชัมบดีก็ได้สุชัมบดี 10 อย่างนะ ถึงจะ 10 ข้อละขอเป็นราชินีอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องขอเลยเนาะ เรื่องพรเนี่ยนะ